ชาวนี้ของนิมนต์จานสมใจบรรยายทําด้วยนี่หมด บูชาพระรัตนตรัยขอา ก, ากราบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนขอา ก, ากราบคารวะพระอาจ า, ยารย์ไพศาลผู้เป็นประธานในที่นี้ขอา ก, ากราบคารวะพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกท่านขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่แม่ชี ป่าสกุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสกุโตแห่งนี้ <c oughs> วันนี้นก็ตรงกับวันศุกร์ที่หตุลาคมพุทธศักราช 2,555 นตรงกับวันแรมหค่ำเดือนสิปีมะโรง เ, เมื่อดูปฏิทินแล้วเนี่ยก็ เขาเขียนไว้ว่าวันนี้นเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติก็ได้ความคิดมาว่าเออมนุษย์เราเนี่ยก็พยายามที่จะคิดค้ น, นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นนวัตกรรมที่จะมาช่วยบรรเทาความทุกข์ความยากนในทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่างเรื่องของการเดินทาง เรื่องของการรักษาโรคนะหรือแม้แต่อ่านาการกินนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากมนุษยนะ์ที่พยายามจะหาทางบรรเทานะความทุกขนะ์ทางกายนะก็เลยไปคิดว่าเอ๊ในทางใจมันก็มีเหมือนกันนะเมื่อครั้งพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์เนี่ยนะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกร คนหนึ่งเหมือนกันที่พยายามนาเสนอการแก้ทุกข์ทางใจให้กับมนุษย์เราเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยความทุกข์ทางใจของมนุษย์เราก็ไปอาศัยพึ่งพิงสิ่งที่มองไม่เห็นไปพึ่งพาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อซึ่งก็ทำให้บันเทา นะความทุกข์ทางใจลงไปได้บ้างนะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดนะแต่ว่าพุทธองค์เนี่ยได้ค้นพบนะว่าไอความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจของเรานะเพราะฉะนั้นการแก้ไขาการบันเทาเนี่ยหรือการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะต้องกลับมาดูที่ใจของเรากลับมาแก้ที่ใจของเรานะซึ่งถ้า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 นะในยุคปัจจุบันนี้นะซึ่งคำว่านนะวัตกรรมในที่นี้ไม่ได้ไปคิดทฤษฎีอะไรขึ้นมาใหม่นะเพียงแต่คิดวิธีการนะที่จะทำให้เหมาะนะกับคนในยุคปัจจุบันนะก็ทําให้เกิดผลนะในแง่ของการประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ได้รับความสงบนะได้รับความสุขนะสามารถปลดเปลื้องทุกข์ได้นะมีจิตใจที่เป็นอิสระนะ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 ทีนี้ในส่วนของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ถ้าจะมองแง่หนึ่งก็เป็นลักษณะที่เป็นนวัตกรรมอีกแบบหนึ่งในการปฏิบัติซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการปฏิบัติที่มีมาแต่เดิมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยการนั่งหลับตาทำจิตให้สงบมีคำบริกรรมแต่ในส่วนของวิธีการเจริญสติ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 ที่มักจะบ่นอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาหรอกที่จะไปนั่งสมาธินิ่งๆหลับต า, าไม่มีเวลาที่จะไปอยู่วัดห้าวันเจวันหรือเป็นเดือ น, นหรือไม่มีเวลาไปปฏิบัติอย่างนั้ น, นซึ่งตรงนี้ก็เป็นความความเข้าใจของคนโดยทั่วไปแล้วก็เป็นภาพที่มองเห็นว่าการปฏิบัติวิปัสสนาก็ดีการปฏิบัติกรรมฐานก็ดีเป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งหลับตา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 นะก็เหมาะในที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในะในการทำงานในการใช้ชีวิตนะก็มีการสรุปกันเมื่อวานนะก็เห็นว่าน่าจะได้นำไปใช้กับตัวเองนาไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้เคียงนะแล้วก็อาจจะนำไปสู่นักเรียนนะในโรงเรียนหรือในวิทยาลัยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อเป็นตัวอย่างอันนึง่งนะที่เห็นว่า าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็เหมาะสมนะกับคนทีอ่อาจจะไม่มีเวลานะที่จะไปนั่งนิ่งๆนะหลับตานะบริกรรมนะนั้นก็เป็นความเหมาะสมของอกลุ่มคนนะที่ต้องใช้ชีวิตนะที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะทีนี้ในรูปแบบของการเจริญสตินะแบบ ที่เราได้มา เ, าเรียนรู้กั น, นที่วัดป่าสุกตโตเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นตรงจุดนี้ในวิธีการแบบนี้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปฏิเสธวิธีอื่ น, นหรือไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้วิธีเดียวนะจะเข้าใจความจริงของชีวิตแต่เป็นวิธีการหนึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งนที่จะทําให้เราเรียนรู้ากายใจของเรา นะแล้วก็สามารถที่จะดับทุกได้นะที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเ อ, อ่อสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยนะก็คงพอจะสรุปได้นะว่าเป็นหลักของการเจริญสติน ะ, จะเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4นะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะโดยที่เรานะก็จะให้ความสนใจนะเรือใหความสําคัญนะกับความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวนะเสียก่อน ในเบื้องต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอุบายหรือเป็นเทคนิคที่จะทำให้เรา เ, เรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะโดยส่วนใหญ่คนในโลกปัจจุบันหรือคนในสังคมปัจจุบันนั้นเราจะไปสนใจหรือไปให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมสิ่งนอกตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ย ก็จะไปอยู่กับเรื่องราวข้างนอกซะเป็นส่วนใหญนะ่เราไม่ได้มาสนใจหรือไม่ได้มาดูมาให้ความสำคัญกับอารมณ์กับความรู้สึกความนึกคิดนะที่มันแสดงตัวอยู่ภายในนะเพราะฉะนั้นบางทนะีเราก็เหมือนกับสะดุดนะหรือว่าตกจมอยู่ไปใน อ, อ, อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเมื่อเราไปกระทบกับโลกนะมีสุขบ้างทุกบ้าง นะมีดีใจบ้างเสียใจบ้างนะมีความเบื่อความเซงความเหงาความเครียดนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราไม่ได้กลับมาดูที่ใจแล้วนะเราไม่ได้มาแก้ที่ใจนะบางคนก็ไปแก้ไขโดยการเอาวัตถุภายนอกนะเข้าม า, ากรบเกลือนหรือกล่อมเรานะหรือทําให้หลงหลงลื ม, ลมนะความเครียดไปนะเป็นบางครัง้งบางขณะ แล้วธรรมชาติมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งว่าความเครียดมันก็ไม่ได้เครียดตลอดเวลานะความเหงาก็ไม่ได้เหงาตลอดเวลานะความโกรธความโลภความหลงมันก็ไม่ได้มีตลอดเวลานะมันมีมาแล้วมีไปเพราะฉะนั้นการกลบเกลื่อนนะโดยอาศัยวัตถุภายนอกนะจะเป็นเรื่องอาหารการกินก็ดีนะหรือสิ่งเสพติดต่างๆนะหรือแม้แต่ยากล่อมประสาทนะยาลดความเครียด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 นำมาดูที่ต้นต่อของปัญหาจริงๆนะเราจะได้รู้ความจริงนะของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะแล้วก็จะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงการเจริงสตินะโดยการที่เรามาทําความรู้สึกตัวที่กายในเบื้องต้นนะให้ชัดเจนนะตรงนีนะ้จะเป็นการเรียกความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วมันจะเป็นการ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 แต่เมื่อสติปัญญาเราเห็นชัดเราจะรู้เลยว่าการไปยึดไปถือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้นมันมาแล้วก็ไปะก็ผ่านมาผ่านไปนถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวที่ชัดเราก็จะเห็นความแปลเปลี่ยนนสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนจิตใจมันก็เป็นปกติเป็นธรรมดาของมั น, นมีความรู้ตื่นเบิกบา น, นที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นนะมันก็จะไม่เกิดการยึดการถือเพราะนั้นการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราคิดจะปล่อยวางแต่มันเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกตัวนะรัตติปัญญาเนี่ยมันเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะยึดถือได้ไม่สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการได้นะตรงนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ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 นะเมื่อเรานั่งนานๆนะเมื่อเราทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆนะมันก็เกิดอาการปวดเมื่อยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแสดงให้เราดูเข้ามาโชว์ให้เราดนะูเราก็เรียนรู้เขานะแต่เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านะี้มีความเจ็บมีความปวดก็เป็นอาการของกายนะที่มันจะเกิดขึ้นนะเราก็รับรู้แตนะนะ่เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมัน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 วิธีการเจริญสตนะิแบบเคลื่อนไหวนะที่เราได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะในการที่จะใชนะ้เพื่อการดับทุกขนะ์ทางใจได้ในรูปแบบหนึง่งนะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถือว่ายุคสมัยนี้นะเป็นสิ่งใหมนะ่คนบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะหรือว่าสังคมโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนักนะนะก็เป็นสิ่งที่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 นะเป็นบางครัง้งบางขณะก็เข้าใจว่ า, าตัวเองถึงที่สุดแล้วเราก็ไม่ทำอะไรนะนี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะนั้นในในการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ต้องมีความรู้สึกตัวนะอยู่บ่อ ย, ยอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตนะดู ส, สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราสบายแนละนะ้เราไม่ต้องทำแล้วนะบางที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 นะครัาาช่วงได้นะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะก็ไปคิดว่าการปฏิบัติก็อยู่เฉพาะในช่วงรูปแบบนะพอนอกรูปแบบแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งนะที่เราจะต้องไข้ครวนนะเราจะต้องระมัดระวังนะตรงนี้อีกอันนึงก็คือว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดไปแล้ว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 Mm-hmm. <laughs>